ความดีข้อที่ห้าคือการทำความดีด้วยความรู้เท่าถึงการหรือไม่แต่ก่อนนี้มีขุนนางใจเสี่ยงท่านหนึ่งรับราชการในราชการของพระเจ้าอิงจงห้องเต้ราวปีพุทธศักราช1979ถึง1992ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีด่างพร้อยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ต่อมาท่านปลดกเกษียณตนเองกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของท่านที่ชนบทประชาชนก็พากันมาเคารพท่านต่างก็เปรียบท่านดุดขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีนคือท่ายสานและเปรียบดุดดาวเหนือที่สุกใสกว่าดาวใดใในพิภพครั้นแล้วมีชายขี้เมาคนหนึ่งมาด่าท่านซึ่งซึ่งหน้าท่านเห็นเป็นคนเมาก็ไม่ตีกรด บอกขอรับใช้ว่าอย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูเสเถิดต่อมาชายขี้เมาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อท่านอดีตใจเสี่ยงรู้เข้าก็เสียใจมากรำพึงว่าถ้าเราเอาเรื่องเสียแต่แรกที่ด่าเราจับไปทําโทษสถานเบาเสียที่อำเภอเขาจะไม่ต้องรับโทษประหารในวันนี้เพราะเราแท้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 ทุบพิกภัยรัศดรต่างแย่งชิงทรัพย์สินกันเองในกังวันแสกแสกมีเศรษฐีท่านหนึ่งไปร้องต่อในอำเภอขอให้ระงับเหตุก่อณ์ที่จะเกิดจะลาจลแต่ในอำเภอไม่เอาเรื่องคนยากจนก็เลยได้ใจพากันยื้อแย่งกันมากขึ้นเศรษฐีเห็นไม่เป็นการจึงระดมผู้คนของตนออกปราบเองเรื่องจึงสงบ การกระทําของเศรษฐีท่านนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็ทําด้วยความสุดจริตใจหวังไม่ให้เกิดการจรจนจึงเป็นการทําความดีแท้อีกวิธีหนึ่ง